เรื่องพระฉับ พ, พักขีเรียนโลกายัตยสมัยนั้นพวกภิกษุฉับ พ, พักขีเรียนโลกายัตยิพวกคนทั้งหลายพากันตำหนิประนามโพรทนาว่าเหมือนคฤหัสผู้บริโภคกรรม ภิกษุทั้งหลายได้ยินคนทั้งหลายตำหนิประนามโพนธนาครั้นนั้นและภิกษุเหล่านั้นจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ พ, พระผู้มีพระภาคตรัสถามว่าภิกษุทั้งหลายผู้ที่เห็นสาระในโลกายตพึงถึงความเจริญความงอกงามความภัยบุ์ในพระธรรมวิ น, นัยนี้หรือ ภิกษุทั้งหลายกราบทูลว่าไม่ถึงพระพุทธเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคตรัสถามว่าภิกษุทั้งหลายผู้ที่เห็นสาระในธรร ม, มวินัยนี้ย่อมเรียนโลกายัติหรือภิกษุทั้งหลายกราบทูลว่าไม่เรียนพระพุทธเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคตรัสว่า ภิกษุทั้งหลายภิกษุไม่พึงเรียนโลกายัติรูปใดเรียนต้องอาบัตทุกกฏสมัยนั้นพวกภิกษุฉับ พ, พักขีสอนโลกายัติคนทั้งหลายตำหนิประนามโพนทนาว่าเหมือนขรหัตผู้บริโภคกรรม